เจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจขุสลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2556เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำเวลาของชีวิต ที่มีคุณค่าให้กับคุณประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจด้วยการมาฟังเทศฟังธรรมเพราะการฟังเทศฟังธรรมเป็นการศึกษาเส้นทางของชีวิตเป็นการดูแผนที่ที่จะพาให้ชีวิตของเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราปรารถนากัน นั่นก็คือไปสู่ความสู่ความเจริญไปสู่ความสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายถ้าไม่ฝังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆก็จะเหมือนกับไม่ดูแผนที่อยู่เรื่อยๆ เ, เวลาที่ไม่ดูแผนที่พอไปถึงทางแยกก็อาจจะเลี้ยวผิดทางไปได้ การใดถ้าไม่หลั่งฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อ ย, อยพอถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็อาจจะตัดสินใจไปในทางที่ผิดได้ mm hmm. ดังนั้นการฟังเทศฟังธรรมอยู่เป็นประจาจึงเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะถ้าไม่รู้จักทิศทางที่ถูก ก็จะหลงทางเมื่อหลงทางก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ปรารถนาแทนที่จะไปสู่ความสุขความจเจริญก็กลับไปสู่ความเสือ่อมไปสู่ความทุกข์นี่คือเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมพระพุทธเจ้า ส, สอนให้ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆก็ เ, เป็นมงคลอย่างยิ่ง การเล่นรำวัฒนวนรงเอตัมมังกาลบุตตมังการฟังธรรมตามกาลตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งถ้าไม่ได้ฟังก็จะเป็นอัปมงคลพอะจะหลงทางผู้ที่ไม่ปรารถนาความเป็นอัปมงคลต่างๆก็ควรที่จะหมั่นศึกษาฟังเทศ ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆการฟังเทศฟังธรรมที่จะทำให้เป็นวงคลกก็ต้องฟังแบบมิ้นกับแกงอย่าฟังแบบทัพภีในหม้อแกงเพราะถ้าฟังแบบทัพพีในหม้อแกงก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากการฟังก็จะไม่รู้ทางที่จะดาเนินที่ถูกที่ควรก็เหมือนกับไม่ได้ฟังนั่นเอง ทับพีถึงแม้จะอยู่ในหม้อแกงนานสักเท่าไหร่ก็จะไม่สามารถรู้รสชาติของแกงได้ไม่เหมือนกับลิ้นที่เพียงสัมผัสเพียงแป๊บเดียวเพียงนิดเดียวก็จะรู้ว่ารสแกงนั้นเป็นรสอะไรการฟังเทศฟังธรรมก็ต้องฟังแบบลิ้นกับแกงอย่าฟังแบบทัพพีในหม้อแกง การฟังแบบลิ้นกับแกงกับแกงก็คือต้องฟังด้วยใจที่จดจอ่อร่างกายและวาจาที่สงบากายวาจาสงบเป็นศีลใจที่จดจอ่อตั้งมั่นอยู่กับการฟังเทศฟังธรรมเป็นสมาธาิถ้าฟังด้วยศีลด้วยสมาธิแล้วก็จะเกิดปัญญาขึ้นมา เกิดความเข้าใจเกิดความเห็นที่ถูกต้องเกิดความเกิดความหายจากความสงสัยต่างๆเกิดความสมุบเกิดความสุขนี่แหละคือมงคลก็คือความสุขความสุกของใจที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องที่ได้กําจัดความสงสัยต่างๆ ให้ออกไปจากใจฟังทำต้องฟังแบบลิ้นกับแกงฟังด้วยสติดจดจอ่อใจไม่ไปคิดเรื่องต่างๆร่างกายไม่ทำอะไรวาจาก็ไม่พูดอะไรถ้าฟังแบบร่างกายยังทำนั่นทานี่อยู่วาจายังพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ใจยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ ฟังไปก็เหมือนกับทับทีในหม้อแกงนั่นเองคือฟังแล้วจะไม่รู้ว่าได้ฟังอะไรได้ยินแต่เสียงที่เข้ามาทางหูซ้ายแล้วก็ออกไปทางหูขวาฟังอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นมงคลฟังไปเสียเวลาเปล่าๆและนอกจากเสียเวลาแล้วยังไปเป็นปนัญหากับผู้ ทำให้ผู้อืนที่ตั้งใจฟังก็จะไม่สามารถฟังได้อย่างอย่างสมบฟังได้อย่างอย่างชัดเจนเพราะมีผู้นั่งอยู่ข้างๆบวแต่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้บวแต่พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ดังนั้นนอกจากไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับตนเองแล้วยังไปทำทาลายประโยชน์ของผู้ อ, อื่นอีกผู้ที่เวลา ฟังเทศฟังธรรมจึงควรสำรวมไว้ให้มากๆว่าตอนนี้เราต้องอยู่ในกิริยาอาการที่สงบไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรไม่ส่งเสียงดังถ้าเรามีเด็กถ้าเด็กไม่สงบไม่นอนหลับเด็กส่งเสียงดังเด็กวิ่งไปวิ่งมาก็ควรที่จะพาเด็กออกไปข้างนอก จะได้ไม่รบขวรผู้อื่นจะได้ไม่ทำลายประโยชน์ของผู้อื่นที่พึ่งจะได้รับตนเองไม่ได้รับประโยชน์แล้วยังไปทำลายประโยชน์ของผู้อื่นนี่คือการฝังเท็จคำทางที่จะทำให้เกิดมงคลขึ้นมามงคลก็คือปัญญาความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าอะไรเป็นทุกข์เห็นว่าอะไรเป็นสุข ไม่รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์ไม่รู้ว่าอะไรเป็นสุขก็จะทำไปในทงกัดข้ามก็ได้คือเห็นผิดเป็นชอบเห็นสุขเป็นทุกข์เห็นทุกข์เป็นสุขนั่นเองเช่นอะไรที่เรียกว่าเป็นทุกข์ในสายตาของผู้มีปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องอย่างพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านจะเห็นว่า ลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขท่านจะเห็นว่าการทำทานการรักษาศีลการภาวนานี้เป็นสุขแต่ในสายตาของผู้ที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิมีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นที่ไม่ถูกต้อง มีความเห็นที่เห็นกงจากเป็นดอกบัวก็จะเห็นว่าลาบยศสรรเสริญจะเห็นว่าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นความสุขจะเห็นว่าการทําบุญให้ทานการรักษาศีลการภาวนาเป็นความทุกข์ก็เลยจะไม่ชอบทําบุญให้ทานไม่ชอบรักษาศีลไม่ชอบภาวนา แต่จะชอบหาลาภยศเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอทําตามที่มีความเห็นที่ผิดนี้ผลก็จะเป็นผลที่ผิดแทนที่จะได้ความสุขก็กลับจะได้ความทุกข์แทนที่จะได้ความดับของความทุกข์ก็ได้การเกิดของความทุกข์พราะไม่ศึกษา ไม่ฟังเทพฟังธรรมไม่ฟังคำสอนของผู้รู้จริงเช่นพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านแบบนี้เป็นผู้รู้จริงเพราะท่านได้ศึกษาและได้พิสูจน์มาแล้วจนเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าลาบยศสรรเสริญความสุขทางตางหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุข ส่วนการทำทาน mm hmm. การรักษาศีล mm hmm. การภาวานานี้เป็นสุดนี่คือเรื่องของการศึกษาศึกษาฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็ต้องศรัทธาเราก็ต้องเชื่อถึงแม้ว่าเรายังไม่เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกเห็นกันเราก็ต้องเชื่อว่าท่านเห็นจริง ส่วนเรายังเห็นไม่จริงเราเห็นผิดคือลาภยศสารเสริญและความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้ก็มีความสุขอยู่เหมือนกันแต่เป็นความสุขเพียงเล็กน้อยส่วนความทุกข์ที่ถูกซ่อนอยู่ข้างหลังของความสุขนี้เราไม่เห็นกันและเป็นความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขมากมายก่ายกอง ส่วนการทำบุญให้ทานรักษาสิงภาวนาก็มีความสุขเป็นความสุขแต่เราก็มองไม่เห็นกันเพราะเราถูกความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาเบียดบังมาไว้กิเลสตัณหาก็คืออะไรก็คือความหวงความตเหนี่ความโลภความอยากมีทรัพย์มากๆอยากจะใช้ทรัพย์ซื้อความสุขต่างๆ จึงทำให้หวงทรัพย์ทำให้มีความตนันีจึงไม่อยากจะทำบุญให้ทานพอทำบุญให้ทานแล้วรู้สึกว่าไม่สบายใจทุกข์ใจความทุกข์ใจนี้เกิดจากความตนันีเกิดจากความโลภอยากได้เงินทองมากๆอยากจะมีเงินทองเอาไว้ซื้อความสุขต่างๆนั่นเองจึงทาให เวลาทำบุญให้ฐานนี้ทาได้ยากแต่ไม่รู้ว่าถ้าทำได้จริงๆแล้วถ้าเอาชนะความโลภได้เอ า, าชนะความตนีได้เอาชนะความหลงได้ใจก็จะมีความสุขอย่างมากการที่จะเอาชนะความตนีความโลภความหลงได้นี้ต้องเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามา ทำลายมันธรรมะอัลรคืออะไรก็คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความตายนั่นเองคนเราถ้านึกถึงความตายแล้วจะไม่หวงทรัพย์จะไม่โลภแหกได้ทรัพย์จะไม่ตนีจะยินดีที่สละแบ่งปันทรัพย์ให้แก่ผู้อื่นไม่เชื่อลองไปดูคนที่เขารู้ว่าเขาจะต้องตายดู คนที่ไปหาหมอหมอบอกว่ามีเวลาเหลืออีกสามเดือนหกเดือนเวลานั้นเขาจะไม่โลภอย่างได้รับเขาจะไม่โหทรั์จะไม่ตะหนี่ซั์เพราะเขารู้ว่าตายไปแล้วเขาหวังไปไม่ได้ตอนนั้นเขาจะทาบุญอย่างมากเพราะเขาเริ่มเห็นคุณค่าของการทําบุญเวลาทําบุญแล้วทําให้ใจมีความสงบมีความสง เวลาตายไปก็จะตายอย่างสงบตายไปก็ไปสู่สุคติไม่ไปอบายนี่คือวิธีที่เราจะเอาชนะความตนหีเอาชนะความโลภเราต้องใช้ปัญญาคอยเตือนสติคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าเราอาจจะตายวันใดก็ได้ อาจจะตายวันนี้ก็ได้อาจจะตายพรุ่งนี้ก็ได้ไม่มีใครรู้แล้วเรามัวจะมาโลกหาเงินหาทองมาตนันีหัวเงินหัวทองไปทําไมหามาแทบเป็นแทบตายมีเป็นร้อยล้านพันล้านตายไปนี้เอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวกลายเป็นสมบัติของคนของผู้อื่นไปแต่ถ้าเราเอาเงินที่เรามีอยู่นี้มาทําบุญ เราก็จะมีสมบัติติดตัวกับเราไปบุญนี่แลคือทรัพย์สมบัติของเราอย่างแท้จริงถ้าเรามีบุญติดตัวไปเราก็จะไปแบบเศรษฐีเราจะไปเป็นเทพแล้วเรากลับมาเกิดก็จะกลับมาเกิดเป็นเศรษฐีถ้าเราไม่มีบุญติดตัวไปเวลาเราไปเราก็จะไปเป็นเปรตและเวลาเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ เราก็จะกลับมาเกิดเป็นขอทานกลับมาเกิดเป็นคนยากจนเพราะว่าเราไม่ได้สร้างบุญนั่นเองเราไม่ได้ทำทานนี่คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นเวลาที่เราต้องทำทานต้องรักษาศีลต้องภาวนาเพราะเป็นการขัดกับกิเลตนา เวลาทำอะไรที่ขัดกับกิเลสตัณหากิเลสตัณหามันจะสร้างความทุกข์ขึ้นมาทันทีเวลาจะรักษาศีลก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีรู้สึกว่าลำบากไปหมดยากมปหมดทำอะไรไม่คล่องตัวไม่ว่องไวไม่ได้สิ่งที่อยากได้แต่ไม่รู้ว่าเวลาไม่ทำบาปแล้วใจจะสงบใจจะสบาย ใจจะไม่วุ่นวายไม่วิตกไม่กังวลเวลาทําบาปแล้วใจจะมีความวิตกกังวลหวาดกลัวกับวิบากกรรมที่ได้ทำเอาไว้กลัวว่าจะต้องไปรับใช้กรรมถ้าทําผิดกฎหมายก็กลัวว่าจะต้องไปติดคุกติดตารางถ้าทําผิดสศ่งผิดทรรตายไปก็กลัวว่าจะต้องไปตกนรกไปเกิดนไนอบาย แต่ถ้าเรายอมทุกข์กับการรักษาศีลยอมอดทนไม่ทำบาปแม่กิเลสตัณหาอยากจะให้ทำก็ไม่ยอมทาทุกขณะที่ต่อสู้กับกิเลสแต่พอเราไม่ได้ทำบาปแล้วใจเราก็มีความสงบมีความสบายใจเช่นเราต้องตัดสินใจว่าเราจะโกงดีหรือไม่โกงดี ถ้าเราโกงเราก็ได้ทรัพย์มาเยอะแยะได้มาอย่างง่ายดายแต่พอเราโกงแล้วเราได้ทรัพย์มาแล้วใจเราเป็นอย่างไรใจเราวุา่นวายใจเราเดือดร้องใจเราไม่สบายกลัวว่าจะถูกจับได้กลัวว่าเขาจะรู้ว่าเราเป็นคนโกงแต่ถ้าเราตัดสินใจไม่โกงพอเราไม่โกงแล้วเราไม่ได้ทรัพย์แต่เราได้ความสบายใจ ใจเราไม่เดือดร้อนใจเราไม่วุ่นวายเพราะไม่มีผลเสียหายที่จะตามมานั่นเองไม่มีโทษตามมาให้เราคิดอย่างนี้ว่าถ้าเราอยากจะได้ความสุดที่แท้จริงถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ต่างๆเราต้องดับด้วยการไม่ทําบาปไม่ใช่ดับด้วยการทาําเราต้องดับความทุกข์ด้วยการทาําดี ไม่ใช่ดับด้วยการไม่ทำดุเราต้องดับความทุกข์ด้วยการภาวนาเพราะการภาวนานี้จะทำให้ใจเราสงบพอใจสงบ ก, กิเลสตัณหาที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ก็จะสงบไปพอกิเลสตัณหาสงบความทุกข์ก็สงบไปด้วยแต่ก่อนที่จะภาวนาได้นี้ก็จะทุกข์แสนสาหัสเพราะว่าจะต้อง อดข้าวเย็นอย่างน้อยต้องถือสีนแปดอดข้าวเย็นอดดูหนังฟังเพลงอดไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอดการน่วมหลับนอนกับคนรักต้องอยู่คนเดียวอยู่ในสถานที่สงบสงดอันนี้ก็เป็นความทุกข์เพราะความอยากในกามารมณ์นั้นจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีคู่ครอง ม, มีแฟนแต่ถ้าอยู่กับแฟนก็จะไม่มีเวลาที่จะมาจะเจริญสติมานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบได้ได้ความสุขกับแฟนเพียงเดียวเดียวแล้วหลังจากนั้นก็มีความทุกข์ทุกข์พ่อห่วงแฟนทุกข์พ่อห่วงแฟนทุกข์พ่อสูญเสียแฟนไปอันนี้ เป็นความทุกข์แต่เรากลับเป็นเห็นว่าเป็นความสุขเรากลับเห็นว่าการภาวนาการรักษาสีแปดนี้เป็นความทุกข์เพราะไม่ได้เศษการมอารมณ์ตามที่เราอยากจะเศษไม่ได้ร่วมหลับนอนกับคนรักไม่ได้รับประธานอาหารตามความต้องการไม่ได้ได้ไม่ได้ดูพวกบันเทิงต่างๆไม่ได้ดูหนังฟังเพลงไม่ได้ออกไป เที่ยวตามสถานที่ต่างๆไม่ได้ไปงานเลี้ยงต่างๆงานแต่งงานงานวันเกิดงานขึ้นบ้านใหม่งานต่างๆไม่ได้ไปไม่ได้แต่งตัวสวยๆงามงามไม่ได้ใช้น้ําหอมไม่ได้ใช้เครื่องสำอางไม่ได้นอนหลับบนฟูกบนหนาๆไม่ได้นอนหลับนานา อันนี้ก็เป็นความทุกข์ของการจับภาวนาของการรักษาศิ่แปลแต่ผลที่ได้รับเวลาใจสงบนี้แล้วมันวิเศษยิ่งกว่าได้ขึ้นสวรรค์อีกความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือความสุขทั้งหลายไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้จะดีเท่ากับความสงบ ความสุขที่ได้จากการร่วมหลับนอนความสุขที่ได้จากการรับประทานอาหารตามความต้องการความสุขที่ได้จากการดูได้ฟังพวกบันเทิงต่างๆได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้แต่งเนื้อแต่งกายด้วยเสื้อผ้าพรที่สวยงามได้ใช้เครื่องสมางที่ มีกลิ่นหอมได้นอนหลับบนฟูกหนาๆความสุขดังนี้เมื่อมาเทียบกับความสุขที่ได้จากความสงบแล้วเป็นเหมือนฟ้ากับเดนเลยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมองไปพุ่งเป้าไปต้องยอมฝันฝ่าความชุกเล็กๆน้อยๆที่เกิดจากการรักษาศิ่แปลกที่เกิดจากการบังคับควบคุมจิตใจ ไม่ให้คิดเรื่องราวต่างๆให้คิดอยู่กับคำว่าพุโทโธพุธโทโธไปอย่างเดียวหรือให้คิดอยู่กับบทสวดมนต์หรือให้คิดกับธรรมะบทใดบทหนึ่งก็ได้เช่นอาการ32หรือคิดว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ควบคุมบังคับใจ ให้คิดอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้เล่าใจจะเย็นใจจะสบายเวลานั่งสมาธิบริกรรมพุโทโธใจก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขที่ยิ่งใหญ่ได้แต่ต้องฟันฝ่ากำแพงของความทุกข์คือนิวรณ์ต่างๆเช่นการมาันยะความใข้ความยินดีในการมาลมความยินดีในรูปเสียงกลิ่นลดปตาา อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำกันไม่มีใครสามารถมาทำให้กับเราได้แต่ขอให้เรารู้เถิดว่าถ้าเรามีความตั้งใจจะทำแล้วอุปสรรคต่างๆความทุกข์ยากลาบากต่างๆนี้จะไม่สามารถขวางกัน้นการปฏิบัติของเราได้ขอให้เรามีสัจจะอธิษฐานมีความตั้งใจที่แน่วแน่ มีความจริงใจต่อการตั้งใจมีความขยายามภาค พ, พีร์ที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เราควรปฏิบัติมีขันติความอดทนถ้าเรามีคุณธรรมอย่างนี้แล้วไม่มีอุปสรรคใดนในโลกนี้จะสามารถมาขวามกั้นผลที่เราต้องการได้ ถ้าขวัญกันได้ก็จะไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุจะาไม่มีพระอาหารหันตสาวกมาบรรุธรรมกันก็จะมีปุถุชนอย่างพวกเราทีเหวียนไายตายกันไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ่งสุดแต่เนื่องจากว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถมาติดกันสัจจะอธิษฐาน วิริยะและขันติของเราได้นั่นเองจึงปรากฏมีผู้วิเศษต่างๆปรากฏขึ้นมาในโลกไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็ต้องมีสัจจะมีอธิฐานมีขันติมีวิริยะจะเป็นมหาจักรพรรดิจะเป็น ม, า ห, าานมาหากษัตริย์จะเป็นประธานาธิบดีก็ต้องมีอธิฐานมีสัจจะมีวิริยะมีขันติ ต้องแนวแน่ต่อความตั้งใจแน่วแน่ต่อเป้าหมายแล้วจริงใจต่อการปฏิบัติเพื่อให้ถึงเป้าหมายนั้นต้องมีความภาเพียงเป็นอย่างมากขยันทำหน้าที่สงจรให้เต็มที่และต้องมีความอดทนเวลาเจออุปสรรคต่า ง, า ง, างเวลาเจอความยากลาบากต่างจะไม่ท้อถอยจะไม่ยอมแพ้ ถ้ามีคุณธรรมเหล่านี้แล้วรับรองได้ว่าผลที่เลิกที่ตรอเสริม จ, จะเป็นผลที่ตามมาอุปสรรคต่างๆนี้จะพังทลายไปหมดเลยด้วยอำนาจของอธิษฐานบารามีสัจบารมีวิริยบารา ม, รารามีและขันติบารามี พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็อาศัยวิริยะบารามีขันติบารามีสัจจะบารามีอธิษฐานบารามีภาษาวกก็เช่นเดียวกันพวกเราก็เหมือนกันเพราะว่าพวกเราทุกคนสามารถสร้างอธิษฐานบรารมีขึ้นมาได้สามารถสร้างสัจจะบารามีขึ้นมาได้สามารถสร้างวิริยะบารามีขึ้นมาได้ สามารถสร้างขันติบารมีขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นพวกเราอย่าขวางกั้นบารมีของเราด้วยการมีความรู้สึกว่าเราทําไม่ได้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็เท่ากับเป็นการขวางกั้นบารมีที่เราได้อยู่ไม่ให้มีกำลังไม่ให้ออกมาทาหน้าที่พาเราไปสู่ความสุขความจเจริ พาเราไปสู่ความดับทุกข์นั่นเองต้องคิดว่าเราทําได้เพราะพระพุทธเจ้าทําได้เราก็ต้องทําได้เพราะพระพุทธเจ้าก็เหมือนเราก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นปุ้ตุชนมีกิเลสตัณหาเหมือนกับเราพระอาหลานตาสาวกก็เหมือนกับเราท่านก็มีกิเลสตัณหาเหมือนกับเราเหมือนกันแต่ท่านมีความเชื่อมั่นในตนเอง เชื่อว่าทำได้ทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทำมาแล้วถ้าพระพุทธเจ้าทำได้เราก็ต้องทำได้ถ้าเราทำไม่ได้พระพุทธเจ้าจะไม่เสียเวลามาสอนพวกเราให้เสียเวลาไปเปล่าๆถ้าเรารู้ว่าสอนแล้วเขาทำไม่ได้เราจะไปสอนเขาทำไมเช่นถ้าเรารู้ว่าคนนี้พิการเดินไม่ได้เราจะไปสอนให้เขาเดินไปทำไม สอนไปจนไปจนวันตายเขาก็เดินไม่ได้อู่ดงฉันใดก็ฉันนั้นพระพุทธเจ้ารู้ว่าพวกเราไม่ใช่เป็นคนพิการพระพุทธเจ้ารู้ว่าพวกเราสามารถบรรลุปเป็นพระอรหันต์กันได้ทุกคนพระพุทธเจ้าจึงนำเอาคำสอนมาสอนพวกเราสอนให้พวกเราปฏิบัติกันสอนให้พวกเราทำบุญให้ทารสอนให้พวกเรารักษาสิ สอนให้พวกเราภาวนาสอนให้พวกเราสร้างบารมีขึ้นมาสร้างอธิษฐานบารมีขึ้นมาคือตั้งใจตั้งเป้าว่าชีวิตนี้จะขอทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจะไม่ไปทําตามคำสอนของกิเลสตังหาคือจะไม่ไปหาลาภยศสารเสริญจะไม่ไปหาความสุดทางตาหูจมูกวิ่นกาย แต่จะทำตามที่ผู้เที่ยวส่งสั่งสอนให้ไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่เกิดจากการทำบุญให้ทานความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลความสุขที่เกิดจากการภาวนานี่คืออธิฐานคือความตั้งใจว่าชาตินี้จะเอาเวลาที่เรามีทั้งหมดนี้มาทำบุญรักษาศีลภาวนาแล้วเมื่อเราตั้งใจแล้วเราก็ต้องจริงใจ ต่อการตั้งใจไม่ใช่ตั้งแล้วก็เปลี่ยนใจถ้าเปลี่ยนใจก็แสดงว่าไม่จริงใจพอจะถึงเวลาทําทานก็เสียดายเงินเ อ, เอาเก็บไว้ก่อนขอเอาไปซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้ก่อนอย่างนี้เรียกว่าไม่จริงใจถ้าจริงใจถึงเวลาทําบุญก็ทําไปเลยมีเท่าไหร่ทำให้มันเต็มที่ไปเลยฆ่ากิเลสให้มันตายไปเลยเป็นเสียดายทําไมกับความตณี ไปเสียดายทำไมกับความโลภอยากได้ซับตายไปเอาไปได้ที่ไหนเงินทองพาเราไปนิพพานได้ที่ไหนเราต้องคิดอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราทุ่มได้เลยมีเท่าไหร่ทุ่มได้หมดเลยให้เท่าท่าไหร่ก็จะใกล้พระนิพานเข้าไปเท่านั้น<ม>สินก็เช่นเดียวกันรักษามันไปเลยอย่ามารักษาแต่เฉพาะวันพระเพียงวันเดียวรักษามันทุกวันเลยรักษาสินห้าไปก่อน พอได้ศินห้าแล้วก็เอาศีลแปพอศีลแปได้แล้วก็จะไปภาวนาได้ไปอยู่วัดไปเปริกวิเวกไปอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องดูหนังฟังเพลงไม่ต้องกินอาหารหลังจากเชี่ยงวันไปแล้วไม่ต้องนอนหลับบนฟูกหนาๆไม่ต้องร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้นะทำไปนะทาได้ขอให้เรามีความตั้งใจแล้วอยากเปลี่ยนใจ เวลาตั้งใจก็ว่าไปอย่างพอถึงเวลาจะทําจริงๆเปลี่ยนใจแล้วเหมือนคนบอกว่าจะเลิกกินเหล้าพอถึงเวลายเย็นขึ้นมาพอเห็นขวดเหล้าก็เปลี่ยนใจแล้วลืมไปแล้วว่าได้ตั้งใจว่าจะไม่กินเหล้าอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสัจจะไม่มีความจริงใจต้องมีความจริงใจตั้งใจแล้วต้องทำตามตาที่ตั้งไวต้องขยันทาให้มากมา แล้วก็ต้องอดทนต่อสู้กับกิเลสตัณหาที่คอยสร้างความทุกข์ความอึดอัดใจให้กับเราถ้าเราสู้ไม่ถอยแล้วรับรองได้ว่ากิเลสตัณหาจะต้องถอยจะต้องหมดไปเพราะพระพุทธเจ้าได้ทำให้กิเลสตัณหาถอยไปแล้วพวกเราก็จะทำได้เหมือนกันจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงพยายามศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อย เพื่อจะได้ไม่หลงทางเพื่อจะได้มีกำลังใจที่จะทำในสิ่งที่ควรจะทำ ท, ที่จะละในสิ่งที่ควรละถ้าทำได้แล้วผลอันเลิศอันระเสรก็คือความหลุดพ้นจากความทุกข์ความสุขที่ถาวรก็จะเป็นผลที่ตามมาต่อไปอย่างแน่นอนอการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไววเพียงเท่านี้ขอคุณพระศิวัตนาไกรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุดและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเทอ